ก็ขอให้ทุกท่านนั้นจงมีความตั้งใจถ้าเราทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นด้วยความไม่ประมาณและมีความตั้งใจสิ่งนั้นก็จะสมปัตนา เราก็จะรู้ถึงสภาวะของจิตของเราเองคนใดนั้นเหมือนดั่งอาหารใครหิวแค่ไหนใครทานได้เท่าไหร่ก็ทานได้เท่าแค่หนึ่งอิ่มเท่านั้นฉันใดก็ฉันนั้น ชีวิตมนุษย์เลือกเกิดกันได้แต่เลือกตายไม่ได้สมัยนี้ต้องใช้คำพูดว่าเลือกเกิดได้พ่อแม่นั้นสามารถดูวันดูเวลาให้ลูกเกิดได้ จะเกิดกับโรงพยาบาลอะไรก็ได้และวันเวลาก็ให้พระดูเลิกให้ว่าเกิดเลิกนี้แล้วเป็นมงคลแล้วก็จะดีต่อเด็กเรียกว่าเลือกเกิดได้ <c oughs> แต่ในขณะตายเนี่ยก็คือดับเนี่ยมันเลือกไม่ได้เลือกวันเวลาไม่เห็นมีใครมาดูเลือกผานนาทีว่าจะให้ฉันตายเวลาไหนเวลาเกิดเนี่ยเขาไปแจ้งเกิดเวลาตายเขาก็ต้องไปแจ้งตายเหมือนกัน แต่แจ้งเกิดเนี่ยเดี๋ยวนี้มันแปลกประหลาดโยมการเกิดของมนุษย์เนี่ยมันจะต้องถูกกำหนดจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาคิดกันอยู่ปัจจุบันปัจจุบันนั้นคนเราเนี่ยเชื่อในสิ่งที่ไม่ควรจะเชื่อ ใช่ในสิ่งที่ไม่ควรจะใช่ทำไมหลวงพ่อพูดอย่างนี้เชื่อในสิ่งที่ไม่ควรจะเชื่อก็คือคิดว่าไหวแล้วจะรวยแล้วก็เชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าไหวแล้วเราจะหลุดพ้นแล้วก็หลอด้น ลองค่าคนสักคนหนึ่งแล้วก็ไปไหว้พระว่าพระองค์ไหนเนี่ยศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่ติดคุกแล้วคนตายสักคนเนี่ยลองไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยให้ไม่ตายเนี่ยมีไหมเพราฉะนัละล้นหลวงพ่อพูดอย่างนี้เนี่ยก็ทําให้เราเนี่ย ให้เชื่อมั่นในตัวเองว่ามนุษย์เกิดมาเนี่ยในอดีตเนี่ยที่ผ่านมาเขาเลือกเวลาไม่ได้แต่จะเป็นบุคคลที่รู้เวลาเวลาจะทำมาหากินเนี่ยคนตะก่อนเนี่ยมีความขยันหมั่นเพียร ไม่เหมือนคนสมัยนี้ต้องมีกะนะเช่น ท, ทำงานโรงงานเนี่ยเขามีกะกะเช้ากะบ่ายแล้วก็กะดึกโรงเรียนก็เช่นเดียวกันเรียนตามภาควิชาภาคเช้าภาคบ่ายออมีสองภาคอาจจะมีภาคพิสดาร น, นี่ก็มี เพราะนั้นวัดขาอิติสุขโตนั้นไม่มีภาคพิสดารไม่มีกระไม่มีการเกีนว่าที่จะต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ก็ทำให้เป็นปกติและธรรมดามีหลวงพ่อกิจเนี่ยไม่ธรรมดา คุกเข่าได้จะถวายพรพระสติล้นล้วนเน่เพราะนั้นสติก็คือความรู้ตัวเนี่ยจะต้องมีความมั่นคงถ้าสติไม่ถาวรเนี่ยความผิดพลาดมันก็จะเกิดขึ้นมากมายในชีวิตของเรา เหมือนในขณะนี้บรรดาญาติโยมทั้งหลายโปรดจงตั้งสติใช้คาว่าโปรดจงตั้งสติตั้งสติมีความรู้ตัวเองซะก่อนในขณะนี้ว่าตัวเราโอ้เนาทำไมจะต้องมานั่งอย่างนี้ เมื่อเราเห็นตัวตนที่แท้จริงของเรานั่งในขณะนี้เนี่ยพยายามนึกถึงหน้าตัวเองก่อนสร้างมโนภาพนึกถึงหน้าตัวเองช่างเวทนาใจเป็นอย่างยิ่งแม้แต่หน้าตัวเองก็นึกถึงไม่ได้แสดงว่าเราเนี่ยไม่มีสติรู้ตั ว, ร, ตวรู้ตนที่แท้จริงของเรา มันน่าสงสารชีวิตเราเหลือเกินขณะหน้าตัวเองนี่ยังจำไม่ได้แล้วค่อยๆนั่งนึกถึงรูปรูปรูปร่างของตัวเราในกํากลังนั่งอยู่เนี่ยลองลองค่อยๆนึกกับนึกเห็นหน้าตัวเองแล้วก็เห็นรูปร่างของตัวเองที่กาลังนั่งอยู่เนี่ย ขนาดตัวตนของตัวเองเนี่ยก็ยังนึกไม่ออกหน้าทวหน้าหน้าเวทนาใจแห่งการเกิดของเราอะไรมันเกิดขึ้นในชีวิตของเราจึงเป็นเช่นนี้แม้แต่รูปนามเนี่รารู้จักในตัวเรา แต่ว่ารูปหน้าของเราเนี่ยจไม่ค่อยได้คนเนี่ยหน้าตัวเองไม่ได้ก็เรียกว่าหน้ามึดตามมวแสดงว่าทุกท่านทั้งหลายที่มานั่งในขณะนี้เนี่ยไม่เคยได้เข้าไปดูตัวตนที่แท้จริงก็คือคนที่มีสติห่างตัวเป็นอย่างมาก คือไม่รู้ตัวรู้ตนเลยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยแต่ว่าโชคดีที่มาบวชยังวัดเขาอิติสุขโตและมาประพฤติปฏิบัติจึงมีสติรู้ตัวหน่อยก็ลองถามตัวเองว่าเออเนาะเวลาเราจะดูตัวเราเองเนี่ยต้องอาศัยกระจก สมัยก่อนเนี่ยก็ให้ชะโงกดูที่น้ำน้ำใสๆก็จะเห็นใบหน้าเห็นเงาตัวเองถ้าน้ำมันหวันเนี่ยภาพเราก็ไหวไปไหวมาก็จะต้องรอให้น้ำนิ่งและน้ำใสซึ่งจะเห็นภาพได้ชัดเจนหน่อยแต่ในปัจจุบันในความเจริญของเทคโนโลยี ในทางด้านวิทยาศาสตร์สยศาสตร์ก็จะเรินตามเข้ามาสยศาสตร์ก็คืออักวิชาอักวิชาแปลว่าความไม่รู้นก็คือคนโง่นั่นเองเราเนี่ยมวัวแต่ฉลาดของของการเรียนรู้ของกิเลส ก็คือความโลภความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมันเป็นกิเลสมันเป็นเครื่องทําให้เราเนี่ยมีจิตใจที่เศร้าหมองทําให้ชีวิตเราเนี่ยเศร้าหมองไปด้วยคนที่มีความโลภเนี่ยมีความอยากได้เนี่ยเราค่อยๆนึกไป นึกถึงพ่อแม่ก่อนคนที่ใกล้ตัวที่สุดแล้วก็ปู่ย่าตายายท่านเป็นบุคคลที่แสวงหามา ก, ก่อนตกอยู่ในความโลภคือความอยากได้บ้านได้รถได้แก้วแหวนเงินทองได้ที่ดินได้ลาบยศสารเสริญมีแก้วแหวนเงินทองมากมายแสวงหา นไม่มีเวลาที่จะมาประพฤติปฏิบัติรักษาสติอย่างพวกเราในขณะนี้ช่างน่าเวทนาใจเหลือเกินที่มองเห็นว่าพ่อของพ่อเนี่ยเมื่อตายไปแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาอะไรไปได้แม่ของแม่เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเอาอะไรไปได้ ได้แต่ร่วมหอรงรงผัดกันเสพไปเสพมาผัดกันห่วงหาอาทรมีลูกลูกก็ไม่สามารถที่จะรักษาชีวิตพ่อและแม่ได้ไม่สามารถชะลอความแก่ของพ่อของแม่ได้ทั้งๆที่มีแก้วแหวนเงินทองมีรถขับมีเงินใช้มีหมอดีๆรักษา แต่ไม่สามารถจะเยียวยารักษาชีวิตกับความยากลำบากที่ตัวเองนั้นแสวงหามาหนึ่งชีวิต <c oughs> <c oughs> น่าสงสารเป็นอย่างยิ่งพ่อของพ่อก็ตายไปเหลือแต่กระดูกแล้วก็แปะชื่อไว้ตามเจดีย์บ้างตามหลังคาข้างฝาวัดบ้าง แล้วก็มีรูปภาพห้อยไว้ตามบ้านของตัวเองบ้างพ่อของพ่อแม่ของแม่ได้ดับลงไปแต่ก่อนดับในชีวิตเนี่ยมันป่าเถื่อนเหลือเกินกว่าจะถึงป่าดช้ามันช้าเหลือเกินชีวิตวันเวลาที่เราจะต้องร้องให้ไม่รู้กี่ครั้ง หัวเราะไม่รู้กี่หนมันชาเหลือเกินกว่าจะตายกว่าจะได้ดับลงไปเนี่ยไอ้ความที่เหนื่อยยากทุกข์เข็นเนี่ย <c oughs> ค่อยๆนึกไปเมื่อเรานึกเห็นภาพว่าพ่อของพ่อไนตตายลงไปแม่ของแม่เด้ตายลงไป ไอ้คนที่เป็นพ่อแม่เนี่ยที่อยู่ร่วมหอลงโลงกันเนี่ยกว่าจะลงโลงได้เนี่ยเขาเรียกว่าพอแต่งงานเนี่ยก็จะต้องหาเรือนหอก็คือที่อยู่อาศัยนั่นเองเราก็ลองนึกถึงตัวเราเองบางว่าโอ้เนาะเราก็มีอายุไขมากขนาดนี้แลเรายังไม่มีเรือนหอก็คือ ยังไม่มีบ้านอยู่ก็มีบางคนมีบ้านแล้วเนี่ยก็ยังนึกถึงว่าโอ้โหกว่าจะมีบ้านสักหลังเนี่ยเลือดตาทับก็เด็นเลยกว่าจะมีที่สักแปลงเนี่ยเท่ากับแบะมือเนี่ยมันทั้งกากกรรมทั้งวันทั้งคืนเป็นหนี้เป็นสินหากินตัวเองก็ไม่อพอปากพอท้อง ก็จะต้องมาเลี้ยงลูกเลี้ยงผัวเลี้ยงเมียญาติพ่อญาติแม่ญาติมึงญาติโกพี่น้องคานตามกันมาอีกมันท่างมากมากไม่ละเกินมากก็เหมือนมันเหมือนกับว่ามันไม่สามารถที่จะอธิบายได้มากมันจะยุติตรงไหน เงินที่หาได้แล้วได้แล้วตั้งแต่เช้ายันเย็นเนี่ยทั้งผัวและเมียเนี่ยก็พยายามหาอาหารก่อนเดิมแล้ภรรยาก็หาอาหารไว้ให้กับสามีที่จะต้องตื่นมาตอนเช้าทานแล้วก็จะต้องไปทํางานคนที่เป็นภรรยาลองนึกถึงตัวเองทีว่ามืองิกมือง่อยเนี่ย ตื่นเช้าทุกวันเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะได้มารู้ตัวรู้ตนเหมือนในขณะนี้เนี่ยมันสุขแค่ไหนในชีวิตการที่มีลูกเยอะมีสามีภรรยาเนี่ยมันสุขแค่ไหนทำไมเรามาอยู่ที่นี่ต้องมีความสุขมีเพื่อนมีพี่มีน้องมีเพื่อนสหธรรมิก มีกัลยาณมิตรที่มีจริยธรรมคุณธรรมแสดงว่าพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยล้วนจะเป็นสัจจริงเป็นความจริงว่าเมื่อเราประพฤติปฏิบัติตามแล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกจริงว่าเออเนอชีวิตเรา แปดเก้าวันเนี่ยถ้าจะไม่มีเวลาเป็นของตัวของตัว ต, วตนเองเลยชีวิตหากินมาตั้งสามสี่สิบปีห้าสิบปีเนี่ยบางคนในเกือบร้อยปียังหาเสื้อผ้ากางเกงนอกกางเกงในที่มันมีราคาแพงๆสักชุดหนึ่งก็ไม่ได้ เงินกว่าจะหามาได้เป็นร้อยเป็นบาทเป็นหมื่นเป็นพันเนี่ยเป็นแสนเนี่ย mm hmm. ก็จะต้องให้ลกูกให้กับร่างกายของตัวเองก็คือการกินการอยู่ทุกวันเนี่ยค่าน้ําค่าไปค่าอาหารค่ารถมันค่าทาั้งนั้นเล ย, เยการเวลามันก็ค่าเวลาเราไปอีก ท่านค่อยๆนึกถึงไปว่าปู่ของปู่เนี่ยพ่อของพ่อแม่ของแม่เนี่ยตายไปแล้วก็ไม่ได้อะไรไปเลยเหลือแต่รูปรูปภาพนะแม้แต่ใบหน้าของเราเราก็ยังจำตัวตนไม่ได้โอ้แล้วชีวิตเราจะทำยังไงทำไมได้มาเจอหลวงพ่อวัดเขาอิติสุขโต การไม่ขยันหมั่นเพียรก็ไม่มีเก็บมีกินมีใช้เหมือนกับพระที่จะต้องตามกันเนนที่จะต้องตามกันเนี่ ย, นนยคนสี่ห้าอคนมีคนอยู่สี่ห้าคนที่ไม่สามารถที่จะต้องทำแบบอย่างกับพวกเราได้แม้จะทำได้ก็ไม่ค่อยจะทำ แต่เรามาด้วยกันแล้วขึ้นเรือลาเดียวกันแล้วทำไมหลวงพ่อจึงต้องเข็นเรือที่ติดแห้งอยู่ทำไมหลวงพ่อไม่ข้ามไปซะล่ะถ้าเราข้ามเข้าไปข้ามเข้ามาเนี่ยมันก็ไปไม่หมดก็คือเวลาเรามีพี่มีน้องทำไมเราไม่ทิ้งพี่ทิ้งน้องทิ้งพ่อทิ้งแม่ ทิ้งลูกทิ้งผัวเอาตัวเองสบายล่ะแต่บางคนเขาก็ททำได้นะไอ้4ตัวนห้าตัวเนี่ยมันคงทำได้มันคงทิ้งพวกเราได้ 4-500 ชีวิตเนี่ยแต่หลวงพ่อทิ้งคนหนึ่งคนไหนไม่ได้จะต้องค่อยๆลากไปแม้นจะเจ็บชํำนำใจแค่ไหน หลวงพ่อก็จะพยายามลากของลูกหลวงพ่อไปไม่ว่าจะเป็นคนดีคนชั่วเนี่ยไม่สามารถเลือกได้ฉันใดก็ฉันนั้นชีวิตเราก็ไม่สามารถที่จะเลือกได้คนเช่นเดียวกันก็จะต้องเจอเจอในอันดับแรกแม้นรู้แล้วว่าเอาไปไม่ได้แต่ก็เกิดขึ้นแล้ว เกิดก็เพราะก็คือกรรมนั่นเองกรรมเนี่ยมันเลือกที่เกิดไม่ได้จะเกิดเป็นลูกของคนนั้นคนนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะกาหนดได้ทำไมเราไม่เกิดมาเป็นลูกพระเจ้าอยู่หัวคนที่ยากจนก็อยากจะคิดอย่างนั้น พระเจ้าอยู่หัวก็อยากจะเกิดว่าเออเราทําไมไม่เกิดมาเป็นสามัญคนธรรมดาเขาถึงบอกว่าทุกของเจ้าฟ้าเจ้าเป็นดินเนี่ยมันใหญ่หลวงนักทุกของคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยมันมากมากมายไม่สามารถที่จะอถาธิบายให้มันเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างได้แม้เราเป็นพ่อแม่ แม้เราเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงกรรมแห่งกากกรรมในอารมณ์ของการคิดได้พลวพ่อบอกว่าสติคือความรู้ตัวตนเป็นที่พึ่งแห่งตนที่พระพุทธเจ้าบอกว่าปลูกพืชเช่นไรก็จะได้ผลเช่นนั้นเมื่อเราปลูกความขี้เกียจ ความมีทรัพย์มันก็มีน้อย เ, ออเราปลูกในความรู้สึกว่าเราไม่รับผิดชอบมันก็หลีกเลี่ยงความผิดไม่ได้เพราะความชอบธรรมเนี่ยมันไม่มีนั้นเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งกิเลสทั้งตัณหาหลักะในปุถุชนคนปกติที่ไม่ได้มาประพฤติธรรมปฏิบัติธรรม ชั้นใดก็ฉันนั้นคนที่มีรู้ทิศรู้ทางเนี่ยไม่สามารถเดินไปสู่เป้าหมายหรือจุดหมายปลายทางว่าเราจะไปณสถานที่ใดฉันใดก็ฉันนั้นนักปฏิบัติทั้งหลายถ้าเรามาปฏิบัติโดยไม่มีทิศไม่มีทางไอที่เขาบอกว่าไปไหนมา นไปบวชวิปัสสนามาคำว่าบวชเนี่ยก็ต้องไปถือสัจจะก็คือรักษาศีลศีลมีกี่ข้อละ่ะเรารักษาได้ไหมสัจจะวาจาของเราเนี่ยสัญญาแห่งความเป็นมนุษย์เนี่ยูดกุยแล้วมีสัญญาความรู้หมายจำที่กำหนดขึ้นมาโดยใช้ สัจจะวาจาพูดคุยเรียกว่าภาษาคนไม่รู้ภาษาเนี่ยเหมือนคนที่ไม่ได้เรียนภาษาแต่ไอ้ภาษากรำเนี่ยไม่ต้องเรียนนํามันชักจูงนะไปสู่สภาวะกรรมเนี่ยที่มันเกิดเกิดก็เพราะว่ากรรมระหว่างพ่อกับแม่ได้มีการเสพกรรมกัน เมื่อมีการเสพกันโดยที่ไม่รู้ว่าอะไรที่มันจะต้องเกิดขึ้นในอนาคตและอะไรที่เกิดในปัจจุบันเนี่ยก็ไม่รู้เลยว่าเกิดเพราะอะไรเกิดมาเพื่ออะไรก็ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นผัวกูเมียกูเป็นลูกกูเป็นญาติกูแล้วก็เป็นของกูตัวกู ในขณะที่เกิดเนี่ยมันไม่รู้ทิศทางโยมลองคิดดูว่าเกิดก็ไม่รู้แหละในขณะตายเนี่ยก็ทุนหล่นทุนลายเพราะว่าไม่มีสติรู้เลยว่าคนเราเกิดมาจะต้องตายเมื่อเกิดแล้วก็จะต้องดับในที่สุดเหมือนพระอาทิตย์พระอาทิตย์เนี่ยมันก็จะสว่างแล้วก็ โคจรตกลงไปโลกมันบังมันก็มืดมีมืดมีสว่างก็คือมีเกิดมีดับนั่นเองแต่ก็ในพระอาทิตย์เนี่ยมันเกิดขึ้นมาเนี่ยเราเห็นแสงสว่างก็เราก็รู้ว่าเราจะเดินทางไปไหนไปตรงไหนไปที่ใดเห็นโน่นเห็น น, น, นี่และนึกภาพได้ เรียกว่ามนโนภาพท่านในพระเรียกว่ามนโนยิทธิเหมือนกับหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านฝึกมนโนยิทธิไปท่องนรกท่องสวรรค์แต่ที่วัดเขาอิติสุกโตเนี่ยให้ท่องสัญจรไปไม่ต้องสัญจรไม่ต้องท่องไปไหนละให้นั่งมีสติรู้ตัวว่า ตอนมาเนี่ยเรามาด้วยกามลาคะกามตันหาระหว่างพ่อกับแม่คำว่าตันหาเนี่ยคือค้นหาเท่าไหร่เนี่ยหาทางออกไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านทรงปัญญาอันยิ่งยวดอันบริสุธทธิ์คนอยู่แล้วบ่าเป็นเพียรมาเป็นสัตว์เป็นช้างมาลิงข้างบางชานนีมามาก เรียกว่าพระเจ้าห้0ห้ารยชาติระดับพระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดถึงห้ารอชาติเราหน้ากลัวจะเกิดเป็นหมื่นแสนชาติล้านชาติโกธชาติเนี่ยไหลกลับไหลกันจนไม่รู้ว่าเราเนี่ยเป็นอะไรกันแน่แม้กระทั่งหน้าตาเนี่ยเราก็ยังจำไม่ได้ อาการที่เกิดในสภาวะจิตที่เกิดขึ้นในจิตได้สำนึกของคนที่เราว่าเป็นคนเป็นมนุษย์ที่เรียนรู้อยู่เนี่ยต่างฝ่ายต่างก็มีมหาวิทยาลัยของตัวเองต่างฝ่ายต่างก็ส่งบุตรลูกหลานไปเรียนวิชาหาความรู้ถึงเหมืองนอกเป็นานาบินลัดฟ้าข้ามทะเลไป แต่ไม่รู้ตัวตนที่แท้จริงจะเป็นด็อกเตอร์เป็นศาสตราจารย์เป็นหมอเป็นอะไรก็ช่างยังไม่รู้ ต, ตัวตนที่แท้จริงเนี่ยโอมันน่าเวทนาใจมากว่าเราเกิดมาเนี่ยจะต้องตายเรียนรู้แค่ไหนมันก็จะต้องตายคนที่เรียนรู้แทนที่จะเอามาช่วยเหลือมนุษย์เกื้อกูล แสวงหามาก็มาเพื่อเพื่อแผ่ได้อาศัยซึ่งกันและกันไม่เห็นเหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเมื่อเรียนรู้รู้แล้วได้เอามาเผื่อแผ่พวกเราให้เห็นว่าล้วนแต่เป็นของอนิจจังเป็นของไม่เที่ยง เหมือนอารมณ์ของเราเนี่ยไม่มีเที่ยงแท้เที่ยงตรงเลยวันหนึ่งวันหนึ่งไปเดี๋ยวก็ร้องไห้ซะละไปเดี๋ยวก็หัวเราะสะละไปเดี๋ยวก็กินเดี๋ยวก็ถ่ายเดี๋ยวก็เดินเดี๋ยวก็นั่งเดี๋ยวก็นอนส่งภาษาสัตว์ส่งภาษาเรียกว่าที่เราคุยกันเนี่ยภาษามนุษย์ คุภาษามนุษย์แล้วบางทีก็ฟังแล้วก็อยากไปฟังเสียงนกเสียงกาสงสัยไปหมดว่ามันเสียงอะไรจริงหรือแมลงน้อยใหญ่เสียงดนตระดนตรีเสียงกีต้าเสียงก้องเสียงนักร้องมันเป็นใครร้องลูกใครหลานใครเกิดความลังเลสงสัยไปหมดไม่รู้เหตุรู้ผลว่าจะรู้ไปทำไม จะเรียนรู้ไปเพื่ออะไรถ้าเราไม่เรียนรู้ตัวของตัวเราวันนี้เราก็พูดเพียงแต่ให้เห็นภาพว่าให้เกิดเวทนาใจว่าโอโนา้นอพ่อของพ่อแม่ของแพ่เนี่ยแม่ของแม่เนี่ยไม่สามารถที่จะอะไรไปได้เลย เอาแต่ความตายไปได้เท่านั้นเราเราลองเห็นแม่และพ่อเราเนี่ยใช้ชีวิตใกล้ตัวที่สุดแล้วพ่อเขาแม่เขาก็มีการทะเลาะเบาะแวง้งกว่าจะเจอกันกว่าจะหลอกกันได้ใช้คําว่าจะหลอกกันได้ทำไมหลวงพ่อใช้คําว่ากว่าจะหลอกกันได้ ผู้หญิงก็บอนใส่หัวเข้าไปออทำแก้งตัดผมทรงนั้นทรงนี้สไลด์ ส, สีนั้นสีนี้ตาก็เอาอะไรไปวาดให้มันโตขึ้นให้มันเลียวคมเฉือนหัวใจไอน้น่มทั้งหลายออจมูกที่มันเป็นโดยธรรมชาติก็ไปตัดเอากระดูกตูดมา เอามาเสริมให้จมูกโด่งเขาเรียกว่าเสริมดั้งดั้งมันหักเพื่อจะได้ไปหักหารชายที่เราต้องการหูที่ดีๆก็เจาะจนทุนหมดมึงหูเป่ามากหูทะลุรูโบไปหมดปากที่ดีๆก็เอาสีไปทาฟับฟบฟบสีส้มสีม่วง เหมือนกับดอกไม้ผู้หญิงเขาเปรียบเทียบไว้ผู้ชายก็เปรียบเสมือนผีเสื้อนะลายเป็นหมดนะทำเป็นสีนั้นสีนี้พอหก ป, ปีกแล้วก็เป็นผีเสื้อก็มาจากหนอนชรชัยเป็นหนอนที่คอยไ ต, ต่ตอมดอกไมนะ้เกิดความยินดีพอใจหญิงหลอกชายชายหลอกหญิงมาบอลใส่กัน มาซุกไซซ้อนเงื่อนซ้อนความชั่วไว้กว่าเราจะรักกันได้กว่าจะหลอกกันได้ไอผีอีผีผูออ้หญิงก็ทำเป็นเดินงวยหน้าสวยทำเป็นเดินทิ้งน่องเหมือนนางงามาออพอได้กันไปแล้วอีศบไอศบนะ่ย ที่สวยก็เริ่มโทมเหี่ยวแห้งกากกรรมกันตะเกียดตะกายไอ้เล็บที่เคยทาอยู่ก็เริ่มจะหงิกง่อยไอ้ตาที่คมคมรู้สึกคว่มลงไอ้ผมที่สปอรนใจทรงนั้นทรงนี้ก็ซักกระเซาะกระเซิงเล้ไอ้จมูกนี่รู้สึกหดมึงตั้งฐานยังไงมันก็หด อายุ8 0ด0บเกมึงลองนึกเสวทาปากเนี่ยมันเหมือนรูตูดไหมไอผู้ชายหล่อลำบึกดึงกามขึนกามโอ้ยหล่อลำบึกถูกใจจังรูปงามรูปหล่อผิวขาวด๊อลอนดาะเลยขี้เกียจชิบหายเลยเอามาจะต้องมาซักกางเกงในให้มัน ต้องหุงข้าวหาปลาให้มันกว่าจะนอนได้กว่าจะเลี้ยงลูกลองนึกชีวิตดีกว่าคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยมันดูเหมือนมีความสุขทุกครอบครัวนะถ้าไม่มีกาขาวอ่ะก็จะไม่รู้ว่ามันมีกาสีขาวก็นึกว่านกกามันจะมีแต่สีดำ ก็เหมือนพระดีพระชั่วเนี่ยทไมเห็นประพฤติกรรมเนี่ยมันก็มองไม่เห็นนะเหมือนกับคนอื่นเนี่ยเรามองเห็นความผิดความชั่วของคนอื่นไม่เคยมองเห็นตัวเองก็คือหน้าตัวเองยังจําไม่ได้โปรปลางเราเยังจําไม่ได้ต้องอาศัยอาศัยกระจกเนือ เดี๋ยวนี้เขาเอาใสายดาราดูทีวีเนี่ยดาราแต่งตัวยังไงเราไม่ได้ดูเราล่ะว่าไอดาราเนี่ยมันสวยแค่ไหนมันก็เหมือนเราเนี่ยมันก็ไม่รู้ตัวหรอกมันเล่นละครเป็นนางเอกนางเอกพระเอกเนี่ยท้ายสุดไอพระเอกนางเอกเนี่ยมันก็ไปมีผัวมีเมียมันก็ร้องให้เป็นทุกข์เหมือนเรานี่แหละ มันไม่ได้จบแบบแฮปปี้อันดิ้งอะไรของเขานั่นแหละชีวิตละครมันให้เห็นว่ากว่าจะจบแต่ละเรื่องเนี่ยมันต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงหลายวันหลายเดือนแล้วก็ใช้คนเนี่ยมากมายกว่าจะถ่ายละครได้ชีวิตเราก็เช่นเดียวกันเปรียบเสมือนละครไม่ใช่โงเล็กนะ ซปเปอร์ละครลงใหญ่มากเล่นจนหมดหมดฟันเป็นปากๆเล่นจนหมดเวลาเป็นหลายวันหลายเดือนหลายปียังไม่จบลงละครสุดท้ายเนะี่ยยังต้องแบกไปฝากพระอีกไม่มีดีเลยมนุษย์เกิดมาเพราะนั้นวันนี้ให้เห็น ให้จิตเราเนี่ยได้เห็นความเป็นอันนิจจังเป็นของไม่เที่ยงให้เห็นจิตเราเห็นความเป็นจริงรู้จักหดหู่ใจรู้สึกไม่สบายใจเมื่อเห็นคนเนียพร้อมกับไม่พร้อมเห็นคนที่ขาดสติอย่างหลว ง, งพ่อกิตเนี่ยคุกเข่าจะให้สดวดถวายพรพระเลย ก็ไม่ค่อยมาทาวัดมีอยู่สองสามองค์ก็ต้องรอหลวงพ่อให้เห็นให้เห็นว่าอะไรมันเกิดขึ้นเราจะทำอย่างไรบางคนก็นึกว่าทำไมไม่ทาวัดเลยจะไปรอทำไมทวงความเจริญน่คิดได้แค่นั้นแหละก็เหมือนญาติเราถ้าเกิดป่วยไข้สักคนหนึ่งเนี่ยเราไม่ดูแลเนี่ย เราก็ไม่ใช่เป็นญาติพี่น้องกันเวลาทํางานเนี่ยพันนอ็อตเนนเนี่ยเขาก็ทํางานหลุกวัดหลวงพ่อน้องสอนนี่ก็ต้องทํางานหลวงพ่อสังเกตเห็นทําไมเราเรียกเขามาทํางานทําไมเขากางเต็นท์ให้ญาติโยมแต่เรื่องกฎก็ต้องเป็นกฎเหตุต้องเป็นเหตุปัจจัยต้องเป็นปัจจัย แยกแยกให้ได้ว่าสร้างดีหรือว่าชั่วแยกกันให้ได้วันนี้เราเสียเวลาไปมากพอสมควรกับคนคนไม่กี่คนแต่ก็ลงโทษไม่ได้มันมีทั่วไปหมดในประเทศไทยน่าจะเยอะขนาดเรากลุ่มในน้อยเนี่ยก็ยังมีแต่ถ้าเราไม่ให้โอกาสหรือให้อภัยเขาเนี่ย ปล่อยประละเลยคนที่เป็นญาติเป็นพี่น้องเนี่ยก็จะต้องเป็นทุกข์มากกว่าหลวงพ่อหลายขุมนักถ้าพาดทาคนส5ห้าคนเนี่ยไปแต่งงานกับญาติเราหรือไปใช้ชีวิตชีวิตจะต้องล้มเหลวชีวิตจะต้องมีเป็นภาระอยู่อย่างนี้เนี่ยเหมือนกับตกนรกทั้งเป็น ทำไมเราไม่ช่วยกันดึงขึ้นมาทำไมเราไม่ช่วยกันดันช่วยกันเข็นพวกเขาเนี่ยอย่างในน้อยเนี่ยห้านิ้วสิบนิ้วเนี่ยก็ได้สักนิ้วหนึ่งนิ้วไหนไลยก็จะตัดไปแต่ถ้าเราอยู่ร่วมกันเนี่ยเราต้องตัดไม่ได้ก็คือเหมือนกับพ่อแม่เนี่ยตัดลูกไม่ได้แต่ลูกเนี่ยตัดพ่อตัดแม่ได้ หลวงพ่อเนี่ยก็เปลี่ยบเสมือนเป็นพ่อเป็นแม่ทั้งในตัวตนที่อยู่ในคนคนเดียวกันไม่สามารถจะตัดนิ้วไหนได้เลยเขากลัวพิการเหมือนกันอยู่ดีๆไม่พอใจหลวงพ่อนกฟันนิโป่ตัวเองเลยปเป้งเข้าไปหลวงพ่อนกโอ้โหอยู่ไม่ได้หลวงพ่อนี่โรคจิตประสาทเลยเว้ ขนาดมโหผมฟันนิโป้ตัวเองสะใจเออปล่อยให้มันพิการฉันใดก็ฉันนั้ น, นมนุษย์เกิดมายากที่จะตัดใจ เ, เรียกว่าสัญญาใจสัญญาแห่งความเป็นพ่อแม่ผูกพันกันมาเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเราสอนธรรมะตั้งแต่ต้นตั้งแต่ที่เรานั่งอยู่ ทุกคนอาจจะคิดว่าเหตุมันเกิดขึ้นอย่างนี้พระชั่วเนมหยาบคนที่เป็นภาระตำหนิในใจก็มีแต่ให้เห็นเลยว่าเรือลำนี้เนี่ยจะทิ้งคนหนึ่งคนใดไม่ได้แต่คนเ็าเรียกว่ามือไม่พายเอาเท้าหลาน้ำ้ำมันก็มีกระทั่งญาติพี่น้องหน่ยทั้งตัวเราเองเนี่ยก็มี โดยสมัยที่หลวงพ่อเป็นเด็กเป็นคนที่ไม่ได้ประพฤติไม่ได้ปฏิบัติทํามไม่มีใครกัดเกลาอบรมแต่พ่อแม่ก็พร่ำสอนพี่น้องก็ต้องสอนแต่ก็เป็นเหมือนเขาก็เหมือนกันนะแต่พอมาอยู่ตรงนี้นี่แม่ก็นึกว่ากรรมนั้นจะไม่ตามทันก็จะมีลูกพระลูกเนรเนี่ยตามมาอย่างแจและทีเดียว เอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยได้สอนบรรดาญาติโยมแล้วก็พระภิสุสงฆ์สามเณรหนากพอสมควก็คือสอนเรื่องจริงวันนี้สัจจะก็เกิดขึ้นสัจจะคือความจริงก็คือเกิดกระดับแล้วก็แสวงหาสิ่งใดๆก็ไม่สามารถที่จะเอาไปได้ยึดไม่ได้ถือไม่ได้เลย เดี๋ยวพรุ่งนี้จะสอนเรื่องของจิตกับสภาวะอารมณ์เรื่องสำคัญกับนักปฏิบัติสภาวะจิตที่มันสูญเสียความทรงตัวกับอารมณ์ที่คิดแปรปวนอยู่ตลอดเวลาก็คือภูมิภพที่เราเกิดมาเนี่ยหลายภพหลายชาติเนี่ยมีภูมิติดมา เปตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานที่ติดตัวเรามาเราเกิดเป็นอะไรเนี่ยอารมณ์ของเราเนี่ยมักจะยินดีในสภาพนั้นๆที่เกิดขึ้นเพราะนั้นพรุ่งนี้นับว่าเป็นเรื่องสำคัญของการปฏิบัติจะบอกทั้งสมถะและวิปัสสนาก็น่าจะเข้าใจกันพอบ้าง ที่เคยได้มาปฏิบัติโดยเฉพาะพระละเนนแม่ชีที่วัดนี้เป็นโอกาสและโชคดีอย่างมากที่หลวงพ่อได้เฝ้าสอนเรื่องของสมถะและวิปัสสนาในภาษามามากมายพอสมควรญาติโยมก็พยายามเอาเทปไปฟังนะก็เอาไปประพฤติปฏิบัติบางส่วนก็ได้เยอะ บางส่วนฟังแล้วก็หลายวัดสับสนวุ่นวายไปหมดตั้งคนต่างขังเพราะเราไม่รู้ตัวตนที่แท้จริงเอะใจเชา้ชาๆอย่างนี้ก็เห็นความตั้งใจก็ขออนุโมทนาด้วยว่าทุกคนมีความตั้งใจที่หลวงพ่อเนี่ยสอนตั้งแต่ยังไม่ได้ทำวัดว่าสติเป็นอย่างไน การเวลาและบุคคลเป็นอย่างไรแล้วก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายเป็นอย่างไรนี่ก็เป็นหมวดหมู่ของการปฏิบัติอีกวารละหนึ่งให้เห็นเป็นเครื่องแท้และของจริงนิมนต์ค่อยๆถ อ, อนสมาธิค่อยๆลืมตาให้เป็นปกติเพื่อจะได้กดน้าจะได้ทำภาร ก, กิจต่อไป